มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวัคปัญญาวิเศษปัญหาที่ส6บหถามว่าปัญญาอยู่ที่ไหนสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระเจช อ, องค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปริชายานปัญญานี้อยู่ที่ไหนพระนาคเษนจริงแก้ไขว่าปัญญาจะได้ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนหาไม่ได้พระเจ้ามิลินปินกษัตรัดว่าถ้ากระนั้นปัญญาหามีไม่นั่นแหละสิพระนาคเษนจริงถามว่ามหาราชดูกระบ่อพิษพระราชสมภารลมนี้ถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่ไหนเล่าบ่อพิษ เมื่อพระนาคเกษถามชนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชโอง่งการตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญลมนี้เปล่าหาเนื้อหาตัวไม่ได้จะได้ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนหาไม่ได้พระนาคเกษจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกระระบ่อพิษผู้ประเสริฐในราชสมบัติกระนั้นลมที่พัด ก็ไม่มีเมื่อพระนาคเษนแก้ไขมาชะนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีก็เห็นด้วยจึงมีพระราชออค์การตรัสว่ากัลโลสิสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญญาวิเศษปัญหาเป็นคำรบสิบหกบเท่านี้